ผลที่ปรากฏในชีวิตจริงหรือผลในทางปฏิบัติของผู้บรรลุนิพพานข้อข อ, ขอความมีใจอิสระและมีความสุขในนาคาสูตรสังยุตตนิกายนิทานวักพระพุทธเจ้าตรัสแสดงถึงความมีใจอิสระและมีความสุขของภิกษุชั้นเถระว่าภิกษุทั้งหลายผู้เถระในธรรมวินัยนี้ถึงยามเช้า นุ่งสบงทรงบาทและจีวรเข้าไปสู่หมู่บ้านหรือนิคมเพื่อบินทบาตพวกเธอย่อมกล่าวทำณที่นั้นชาวบ้านทั้งหลายผู้เลื่อมใสย่อมทําอาการแสดงออกแห่งผู้เลื่อมใสแกพวกเธอพวกเธอไม่ติดไม่หมกมุ่นไม่สยบย่อมบริพภคงลาบนั้นอย่างผู้รู้เท่าทันเห็นช่องเสียมีปัญญาทาใจให้เป็นอิสระ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 จึงมองเห็นแต่ความปลอดโปร่งในที่ทุกสถานเขาไม่ยกตัวถือตนใดๆไม่ว่าในหมู่คนเสมอกันคนต่ำกว่าหรือคนสูงกว่าในกาลิโคธาพัิยสูตรกุตกนิกายอุทานท่านพระพัิยอดีตกษัตริย์สากยวงศ์พระโอรสของพระนางกาลิโคธาสละราชสมบัติออกบวช สำเร็จอาราตะผลแล้วอยู่ในป่าก็ดีอยู่โคนไม้ก็ดีอยู่เรือนว่างก็ดีได้เปล่งอุทานเนืองๆว่าสุขหนอสุขหนอภิกษุเป็นอันมากได้ฟังดังนั้นก็พากันปริพิตกว่าท่านคงจะไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์คงจะหวนระลึกถึงความสุขในราชสมบัติครั้งเมื่อเป็นคฤรือหัดเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสถามเหติอุทานอย่างนั้น ท่านพระพะัทยะทูลตอบว่าเมื่อข้าพระองค์เป็นครืหัดในการก่อนสเสวยสุขในราชสมบัติอยู่ได้มีการรักษาอันพวกราชบุรุษ จ, จัดแจงดีแล้วทั้งภายในและภายนอกพระราชวังทั้งภายในและภายนอกพระนครทั้งภายในและภายนอกชนบทข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์นั้นแลเป็นผู้อันราชบุรุษรักษาแล้ว คุ้มครองแล้วอย่างนี้ยังเป็นผู้กลัวหวาดเสียวระแวงสะดุ้งอยู่แต่บัดนี้ข้าพระองค์ผู้เดียวอยู่ป่าก็ดีอยู่โคนไม้ก็ดีอยู่เรือนว่างก็ดีไม่กลัวไม่หวาดเสียวไม่ระแวงไม่สะดุง้งไม่วุ่นวายมีขนตกราบเลี้ยงชีวิตตามแต่เขาจะให้มีใจดังมรึกอยู่ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เห็นอำนาจประโยชน์นี้แหลอยู่ในป่าก็ดีอยู่โขนไม้ก็ดีอยู่เรือนว่างก็ดีจึงได้เปล่งอุทานเนืองๆว่าสุขหนอสุขหนอลำดับนั้นแหลพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แล้วได้ทรงเปล่งอุทานอันแสดงถึงความมีใจอิสระและมีความสุขของผู้บรรลุนิพพานว่า พระอริยะไม่มีควา ม, มงุนง่านงหงุดหงิดในใจท่านผ่านพ้นไปแล้วจากการที่จะได้เป็นหรือจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ท่านปราศจากภัยมีแต่สุขไม่มีโศกแม้แต่เทวดาก็มองใจท่านไม่ถึงในหัตตกะสูตรอังกุตรรนิกายติด ก, กานิบาตพระพุทธเจ้าตรัสกับหัตกะราชกุมารชาวเมืองอารวีว่า ผู้ดับ ก, กิเลสได้แล้วตัดความติดข้องต่างๆได้หมดกำจัดความกระวนกระวายในหะไทยเสียได้แล้วก็นอนเป็นสุขสงบสบายเพราะใจถึงสันติ